ตอนนี้ไวรัสระบาทนะแต่เดิมเมืองไทยก็เป็นเลือกไข้หวัดใหญ่่ว่าเชื้อโรคมันพัฒนาไปเรื่อยๆในบางคนก็มองคนจีนนะด้วยความหวัดระแวงว่าคนจีนจะเอาเชื้อโรคมาเผยแพรนะ่บางคนมาเสนอบอกว่า ไม่ให้คนจีนเข้าวาดัดหลวงพ่อบอกทำไม่ได้วัดไม่ใช่ของคนไทยวัดเป็นของคนพุทธเป็นของชาวพุทธเพราะฉะนั้นะชาวพุทธทุกคนมีสิทธิ์เข้ามาศึกษาธรรมะเหมือนๆกันบางคนก็มองว่าให้เอาคนจีนไปนั่งข้างนอกนะไม่ให้เข้าข้างในหลวงพ่อบอกมันไม่ถูก มันเป็นการมองปัญหาแบบไม่รู้จักจำแนกคนจีนจานวนมากเลยที่เข้ามาที่วัดนี้ก่อนโรคระบาดอีกอย่างพวกเรามาตั้งนานแล้วมาเกินสองอาทิตย์แล้วยังไม่เป็นอะไรนะแสดงวราไม่มีเชื้อหรอกนี่เราจะมาเหมารวมว่าคนจีนทุกคนเป็นโรคแล้วมันพูดแบบไม่ฉลาดไม่ได้คิด ในทุก ว, วันนี้ก็จะมีคนจีนเข้ามาหลวงพ่อจะต้องขอความร่วมมือจากคนจีนด้วยกันหลวงพ่อไม่ได้ห้ามเข้ามาในนี้นะไม่ได้ห้ามเข้าวัดแต่ให้พวกเราคนจีนะช่วยกันดูถ้าคนจีนใหม่ๆมาเนยนะเขาเพิ่งเข้ามาเมืองไทยใหม่ๆอะไรเนี่ยบอกเขาอยู่ข้างนอกหรือให้ไปเที่ยวที่อื่นสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วค่อยมานะถ้าออกไปเที่ยวที่อื่นสนก่อน แล้วก็ค่อยเข้ามาเน่จะให้คนไทยไปพูดด้วยก็ไม่รู้เรื่องหรอกหลวงพ่อาพวกเราคนจีนที่เข้ามาก่อนนะช่วยกันดูแลหน่อยนะแล้วจะให้หลวงพ่อชี้ว่าคนไหนคนจีนคนไทยหลวงพ่อชี้ไม่ถูกนะหน้าตามันก็เหมือนกันละคนไทยยุคนี้ก็มีเชื้อจีนแทบตั้งนั้นนลูกผสมหลวงพ่อก็พ่อเป็นจีนเตี่ยเป็นจีน ปูย่าก็เป็นจีนมาจะเมืองอะไรเนาะจำชื่อเมืองไม่ได้แล้ว <c oughs> ก็อยู่แถวกวางโจเงินฝากพวกเราคนจีนช่วยดูนะถ้าคนจีนใหม่ๆมาช่วยให้คำแนะนำเขาคนจีนใหม่ๆมาก็อย่าอย่าเพิ่งเข้ามาถล้วถ้าเขาเพิ่งเข้าเมืองไทยเนี่ยให้เขาอยู่ บอกให้ไปอยู่ไปเที่ยวที่อื่นสักกอดสักพักหนึ่งแล้วค่อยเข้ามาแต่ถ้าเขาเข้ามาเมืองไทยหลายวันแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรที่หลวงพ่อฝากคนจีนช่วยกันดูเพราะอะไรเพราะว่าคนจีนมาเนี่ยเขาก็ต้องมารวมกลุ่มกับคนจีนที่มาอยู่แล้วงั้นกลุ่มแรกที่จะติดเชื้อนะก็คือคนจีนนี่แหละคนจีนด้วยกันนะยังไม่มาหาคนไทยหรอก งั้นมันก็เป็นการที่เราได้ระวังพวกเรากลุ่มพวกเราเองด้วยนะนด้วกานดูจริงๆธรรมะเนะี่ยไม่มีคนชาตินั้นชาตินี้นะขอเพียงแต่ว่ามีใจนับถือพระพุทธเจ้าอยากศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้านะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้ว สมัยที่พระพุทธเจ้ายัางอยู่นะไม่ว่าคนชาติไหนมาท่านก็รับทั้งนั้นนะคนวันนะตระกูลผู้ดีหรือตระกูลยากจนอะไรมาท่านก็รับเท่าเทียมกันให้มาบวชเหมือนๆกันหมดนะถือว่าถ้าใจนะใจมุ่งอยากพ้นทุกข์อยากเป็นชาวพุทธอยากเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วทุกคนเท่าเทียมกัน อย่างพระที่มาบวชเนี่ยจะเกิดในตระกูลใหญ่โตแค่ไหนหรือตระกูลยากจ น, นพอมาบวชแล้วเนี่ยก็นับถือกันตามอาวโสใครบวชก่อนเป็นสื่อเฮียนะพวกสื่อตีก็ต้องนับถือใช้หลักอย่างนี้เพราะฉะนั้นชาวพุทธเราไม่ได้แบ่งแยกเชื้อชาติไม่ได้แบ่งแยกตระกูลนะทุกคนเท่าเทียมกัน เนี่ยที่เรามาเป็นชาวพุทธเราต้องรู้ว่าเรามาเป็นชาวพุทธเพื่ออะไรศาสนาพุทธเนี่ยสอนนะเป็นศาสตรนะ์เป็นวิชาความรู้ในสาขาที่สอนเราถ้าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มาคือความพ้นทุกข์สิ้นเชิงนะเป็นความพ้นทุกข์นะเป็นความดับสนิทของทุกข์เพราะฉะนั้นจุดหมายปลายทางของชาวพุทธเราคือ จะต้องมีชีวิตโดยที่ไม่ทุกข์ความทุกข์มันมีสองส่วนความทุกข์ในร่างกายกับความทุกข์ในจิตใจความทุกข์ในร่างกายนะี่ยเมื่อเรามีร่างกายแล้วยังไงก็ต้องทุกข์อย่างเรามีร่างกายเราก็ต้อง แ, แก่เราต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายหรือเป็นโรคโน้นเป็นโรคนี้เนี่ยห้ามไม่ได้แต่ละคนก็มีโอกาส แก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนเพราะนความทุกข์ทางร่างกายเนี้มันแก้ไขไม่ได้แต่ว่าคนทั่วไปที่ไม่ใช่ไม่ได้เรียนศาสนาพุทธเนี่ยพอร่างกายเจ็บป่วยเนยะจิตใจจะเป็นทุกข์ไปด้วยยังไม่สบายเป็นไบรัสนะไม่สบายร่างกายก็ป่วยใจก็ป่วยด้วย แต่ถ้าเราเป็นชาวพุทธจริงๆเราเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงๆร่างกายเราเจ็บป่วยแต่จิตใจเราจะไม่มีความทุกข์ใจเราจะไม่เจ็บป่วยไปด้ว ย, ยงั้นเราจะฝึกสนกระทั่งใจเราเนี่ยไม่เจ็บป่วยแม้กระทั่งร่างกายเราจะแก่ร่างกายเราจะเจ็บร่างกายเราจะตายจิตใจจะไม่ทุกข์ไปด้วย แลเราต้องเข้าใจนะเรียนศาสนาพุทธไม่ใช่เรียนให้เกิดความเฮงนะเรียนเพื่อจะร่ํารวยเรียนให้โชคดีอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่จะเรียนเพื่อจะไม่ทุกข์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ทุกข์ทางใจพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนแบบงุ่มง่ายว่าอย่าทุกข์ทางใจนะไม่ได้พูดเฉยๆท่านชี้แจงว่าเหตุของความทุกข์ทางใจอยู่ที่ไหน เวลาเราจะละความทุกข์ทางใจนะั้นละความทุกข์ทางใจโดยตรงไม่ได้เราต้องละเหตุที่ทําให้ใจเราทุกข์เหตุที่ทําให้ใจทุกข์ก็คือตัวความอยากความอยากหรือตัวตัณหาตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้ใจเราทุกข์อย่างเราจะต้องแก่เราอยากไม่แก่ร่างกายมันแก่ใจมันทุกข์เพราะว่าอยากไม่แก่ เวลาร่างกายเจ็บไข้เราอยากให้ร่างกายแข็งแรงตลอดไม่เจ็บไข้เราจะทุกขนะ์เวลาเราพลัดพลากจากคนที่เรารักเนี่ยเราไม่อยากพลาดพลากอย่างคนที่เรารักตายไปหรือแฟนเราทิ้งไปมีเมียใหม่มีผัวใหมนะ่เราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเราอยากให้กลับมาดีกับเราไม่อยากให้พลัดพลากกับเรา เนี่ยพอใจเรามีความอยากมีความไม่อยากเกิดขึ้นใจก็มีความทุกข์เราจะตายเราไม่อยากตายใจเราก็ทุกข์เวลาใจมีความอยากหรือความไม่อยากเกิดขึ้นความทุกข์ในใจมันจะเกิดทุกครั้งไปเพราะงั้นถ้าตราดใดที่เราไม่สามารถละความอยากได้ความทุกข์ก็ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าไม่สอนให้ละความทุกข์เพราะความทุกข์ละไม่ได้ ความทุกข์เป็นผลถ้าจะลาต้องลาที่เหตุเหตุคือตัวความอยากเวลาลาความอยากลากอยังไงอยู่ๆไปลาความอยากไปสั่งจิตว่าอย่าอยากสั่งไม่ได้ไม่มีใครห้ามจิตว่าอยากเกิดความอยากอยากเกิดความไม่อยากห้ามไม่ได้ทั้งสิ้นพราะพุทั้จ้าจมองลึกต่อไปความอยากของจิตใจเกิดเพราะอะไร ความอยากในใจเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิด <t> เพราะไม่รู้ความจริงของชีวิต isphere. สิ่งที่เรียกว่าชีวิตก็คือร่างกายกับจิตใจของเราเราไม่รู้ใจมันไม่ยอมรับความจริงของร่างกายว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายใจไม่ยอมรับความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราว ความดีใจความเสียใจนะความสมหวังความผิดหวังทุกอย่างนึ่นของชั่วคราวหมดใจยอมรับตรงนี้ไม่ได้นะเวลาความสุขเกิดขึ้นใจก็ไม่ยอมรับนะว่ามันจะต้องหายไปไม่นานมันก็ต้องดับไปเราอยากให้มันอยู่ตลอดกาลพราะมีความความอยากเกิดขึ้นให้ความสุขอยู่ตลอดกาลความสุขอยู่ชั่วคราวก็ต้องดับนะเพราะไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับ ความสุขดับไปเนี่ยใจเราไม่อยากให้ความสุขหายไปใจเราก็มีความทุกข์ขึ้นมาหรือเวลาความสุขมันยังไม่มาเราก็อยากให้ความสุขมาอย่างเราจนอเี้ยเราก็อยากถูกหวยถูกลอตเตอรี่อะไรเงี้ยอยากอยากได้ความสุขตรงที่เราอยากให้ความสุขมาเนี่ยใจเราก็ทุกข์ละอย่างเราจะจีบสาวสักคนหนึ่งนะ เรายังไม่รู้เลยเขาจะตกลงกับเราหรือไม่ตกลงแค่เราอยากจะได้เข้ามาเป็นแฟนเรานะเราก็ทุกละคลุ้มใจต้องลุ้นว่าจะได้หรือไม่ได้เพราะน้นความอยากเกิดทีไรนะความทุกข์เกิดทุกทีความอยากมันรวมทั้งอยากจะให้ไม่นไม่มีด้วยอยากให้หายไปนะก็เรียกว่าความอยากเหมือนกันความอยากมีสามานะของยังไม่มีอยากให้มีอันนี้เรียกว่า กา ม, มาตัณหาของที่มีแล้วอยากให้มันอยู่ตลอดไปเรียกว่าภาวะตัณหาของที่มีแล้วอยากให้มันหมดไปสิ้นไปเรียกว่าวิภาวะตัณหางั้นความอยากมีสามัถของยังไม่มีอยากให้มีของมีแล้วบางอันเราก็อยากให้อยู่ต่อไปบางอันก็อยากให้มันหมดไปเนี่ยความอยากไม่ว่าความอยากอะไรเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นทุกที แต่ความอยากเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้ใจมันจะอยากสั่งมันว่าอย่าอยากสั่งไม่ได้งั้นเรามาเรียนต้นต่อของความอยากต้นต่อของความอยากคือจิตนี้ไม่ฉลาดจิตไม่มีปัญญาไม่รู้ความจริงของร่างกายไม่รู้ความจริงของจิตใจถ้ามันรู้ความจริงของร่างกายว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันจะไม่เกิดความอยากที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ถ้ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็ไม่อยากาว่าจะต้องอมตะเพราะมันรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่แบบไม่ตายความอยากมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราเรียนรู้ความจริงของจิตใจสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวดีใจเสียใจก็ชั่วคราวอะไรในใจเราชั่วคราวทั้งหมดใจมันจะไม่หิวความสุขใจมันจะไม่เกิดความทุกข์ ใจที่มีความอยากขึ้นมานะเพราะมันหิวความสุขเพราะมันเกลียดความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าใจมันเห็นความจริงว่าความสุขก็ของชั่วคราวความทุกข์ก็ของชั่วคราวใจมันจะเลิกอยากมันจะไม่มีความอยากเกิดขึ้นอย่างทุกวันนี้เราภาวนาถึงจุดหนึ่งเนี่ยใจจะเห็นความจริงว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวใจจะเข้าสู่ความเป็นกลาง ใจเป็นกลางพอความสุขยังไม่มาก็ไม่ได้อยากให้ความสุขมาพอความสุขมาแล้วก็ไม่ได้อยากให้ความสุขอยู่ตลอดไปพอความทุกมาก็ไม่ได้เกลียดมันความทุกข์หายไปแล้วก็ไม่กังวลกลัวมันจะมาอีกเพราะอะไรเพราะใจไม่ได้รักสุขใจไม่ได้เกลียดทุกข์เพราะฉะนั้นความสุขความทุกข์จะมาหรือไมมาใจจะไม่หวั่นไหวเมื่อใจไม่หวั่นไหวเนี่ยใจจะสงบ ใจจะเข้าถึงความสุขที่ประณีตลึกซึ้งนะต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยใจจะไม่กัะเพื่อมหม่นไหวใจจะมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขอยู่ในตัวของตัวเองเฉน้นที่เราภาวนาปนะฏิบัติเนี่ยเราเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจเพื่อให้เข้าใจความจริงของกายของใจกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรา จิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเนะี่พอเราเข้าใจตัวนี้แล้วนะมันจะไม่หลงชอบความสุขไม่หลงเกลียดความทุกข์งั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเรานะใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางไม่กระเพื่อมหวั่นไหวอย่างเราอยากมีเมียสวยๆอยากมีลูกเก่งๆนะเพราะเราคิดว่ามีเมียสวยมีลูกเก่งแล้วเราจะมีความสุขงั้นจริงๆคืออยากได้ความสุขนะทุกวันเนที่อยากโน้อนอยากเนี้นะคืออยากมีความสุขอยากจะไม่ทุกข์ ทำไมอยากมีงานดีๆมีเงินเยอะๆคิดว่ามีงานดีๆมีเงินเยอะๆแล้วจะมีความสุขทำไมไม่อยากจนไม่อยากเจ็บป่วยเพราะคิดว่าถ้าจนถ้าเจ็บป่วยเนี่ยความสุขจะหายไปเนะี่ยจริงๆแล้วอยากได้ความสุขมากเลยแต่ถ้าเรามาเรียนมาพาจิตมันดูความจริงแลความสุขมันของโชคคราวความทุกข์มันก็ของโชคคราวเราก็จะไม่รักสุขเราก็จะไม่เกลียดทุกข์ เมื่อเราไม่รักสุขเราไม่เกิดทุกข์ความอยากจะไม่เกิดขึ้นนะเมื่อความอยากไม่เกิดขึ้นความทุกข์ในใจจะไม่เกิดขึ้นยังคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องเหตุกับผลนะพอเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจก็จะละความอยากไดนะ้เมื่อละความอยากได้จิตใจจะไม่ทุกข์เนี่ยมันจะมีเหตุมีผลของมันอย่างนี้ เพาศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอนให้เทวดามาช่วยเรานะแต่มันอยู่ที่ตัวเราเองจะเรียนรู้ความจริงของร่างกายจิตใจได้แค่ไหนถ้าเราเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้นี่เรียกว่าเราทำมิปัสนากรมมฐานถ้าเราเข้าใจความจริงของกายของใจแล้วเราจะไม่มีความอยากเราจะไม่มีความทุกข์เนี่ยใจความทั้งหมดของศาสนาพุธอยู่ตรงนี้เพราะนั้นเราต้องเรียนรู้กายรู้ใจ ทำไงจะเรียนรู้กาย ร, รู้ใจได้เห็นไมก็มีเหตุผลอีกละจะรู้กายรู้ใจไม่ใช่อยู่ๆก็สั่งให้รู้มันก็รู้ไม่ใช่เราจะรู้กายรู้ใจได้เนี่ยเราต้องมีเครื่องมือในการรู้อันแรกเลยต้องมีสติสมัมปชัญญะให้มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับตัวเองตรงที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมีสมาธิที่ถูกต้องมีความรู้สึกตัวคือมีสัมปชัญญะ แล้วก็มีสติคอยรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจเนะฉะนั้นจิตใจอยู่กับตัวเองแล้วมีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายก็รู้ทันมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจก็รู้ทันนะนี่แหละวิธีเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะถ้าใจเราลืมตัวเราเองอะไรเกิดขึ้นในกายในใจก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้กายไม่รู้ใจก็คือไม่ได้เรียนรู้ความจริงของกายของใจ ไม่ได้ทํำวิปัสสนากรรมฐานก็ไม่สามารถรู้ความจริงของกายของใจได้ก็จะเกิดความอยากนะอยากซึ่งมันเป็นไปไม่ไดนะ้อยากให้กายให้ใจเป็นสุขตลอดอยากให้กายให้ใจไม่มีความทุกข์มีแต่ความสมหวังมีแต่ความสําเร็จอนะไรเงี้ยเป็นความอยากที่ไร้เดียงสาเราก็ไม่พ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นเราพยายามมาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจของตัวเองให้มากที่สุดนะ เราจะเรียนรู้กายรู้ใจได้ก็มีจิตใจอยู่กับตัวเองไม่ให้จิตใจล่องรอยหนีไปที่อื่นคนส่วนใหญ่ไม่มีจิตใจอยู่กับตัวเองจิตใจเราไปสนใจแต่ของสิ่งอื่นหลวงปู่ดืลได้ว่าชอบส่งจิตออกนอกสนใจที่จะไปดูสนใจที่จะไปฟังสนใจที่จะไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสที่กายสนใจที่จะไปคิดอะไรเพลิดเพลินไป ไม่สนใจแต่สิ่งอื่นไม่สนใจจิตใจนะไม่สนใจความรู้สึกของตัวเองไม่สนใจร่างกายของตัวเองมันรักตัวเองนะแต่มันทิ้งตัวเองเนี่ยมันโง่ที่สุดเลยไม่มีอะไรที่เรารักนะเท่ากับตัวเราเองนะทุกคนรักตัวเองมากที่สุดเราบอกเรารักเมียเรามากที่สุดก็เป็นเมียเราจริงๆก็คือรักตัวเองรักลูกเรามากที่สุ ด, ส ด, สด ก็คือรักตัวเองเพราะมันเป็นลูกเราลูกคนอื่นเราทำไมไม่รักอนะเพราะจริงๆก็คือรักตัวเองที่สุดคนทั้งหลายเนี่ยรักตัวเองที่สุดแต่ไม่สนใจที่จะเรียนรู้ตัวเองนะทิ้งตัวเองทิ้งกายทิ้งใจพวกเรารักตัวเราเองเราอยากให้ตัวเองพ้นทุกขนะ์เราก็คอยรู้สึกกายรู้สึกใจให้มากๆนะเดี๋ยววันหนึ่งเราเข้าใจความจริงของกายของใจแล้วความอยากจะไม่เกิดความทุกข์ทางใจจะไม่เกิด เราจะมีชีวิตไปเรื่อยๆนะโดยเฉพาะถ้าเราเป็นผ้าละหันแล้วเนี่ยจิตใจเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลเลยจิตจะไม่เหมือนที่พวกเรามีอยู่ตอนนี้จิตผ้าละหันเนี่ยนะไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างของจักรวาลเป็นอันเดียวกับจักรวาลความว่างของจักรวาลไม่มีอะไร มีแต่ความรู้ตื่นเบิกบานสว่างไสวนะเพราะฉะนั้นจิตที่ถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วเนี่ยสว่างผ่องใสนะไม่มีอะไรมาปรุงแต่งได้อีกแล้วใจของเรายังถูกความปรุงแต่งรบกวนอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวพรุงดีเดี๋ยวพรุงชั่วก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงเราะฉะนั้นเราภาวนาจนเห็นความจริงอย่างท่องแท้และกิเลสตัวที่ลึกซึ้งที่สุดคืออวิชชา อวิชชาคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์นะไม่รู้ว่าต้องละความอยากถึงจะพ้นทุกข์ได้นะละความอยากได้ก็พ้นทุกข์ได้ก็จะแจ้งพระนิพพานถึงนิโรธในขณะนั้นเลยนี้โรธไม่ได้เกิดขึ้นนะนีโรธหรือนิพพานไม่ได้เกิดขึ้นเราเพียงแต่เข้าไปสัมผัสเข้าไปเห็นเข้าไปรู้จักนะ แล้วตรงที่ใจเราจะเข้าไปสัมผัสพระนิพพานได้รู้จักพระนิพพานได้ใจเกิดอริยมรรคเะฉั้นเราจะค่อยๆฝึกไปรู้ทุกไปถึงวันหนึ่งก็ลาสมุทัยได้ละสมุทัยได้ก็เห็นพระนิพพานได้เห็นพระนิพพานได้อริยมรรคก็เกิดได้เหราะฉนจุดใหญ่ใจความของชาวพุทธเราก็คือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจนะงั้นคอยรู้สึกไป ถ้าใจลอยรู้สึกไม่ได้ถ้าบังคับกายบังคับใจก็ไม่เห็นความจริงนะเพะเราจะไม่บังคับกายบังคับใจให้นิ่งอยู่ตลอดเวลานะให้มันทำงานไปแล้วเรามีสติตามรู้ไปเราไม่ใช่จิตใจร่างกายทำงานไปแต่เราลืมอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ขาดสติยั้นสิ่งที่ผิดสองงานนะอันหนึ่งบังคับกายบังคับใจอันหนึ่งลืมกายลืมใจ สองอันนี้ทำให้เราไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจไดนะ้มีสองอย่างวันนี้หลวงพ่อสอนพวกเราเพื่อให้เห็นภาพรวมเลยนะนี่ถ้าคนจีนมาเนี่ยเราช่วยอธิบายเขาว่าเราเรียนอะไรกันนะเราเรียนวิปั ส, สนากรรมฐานเพื่อจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เราต้องไม่ลืมกายลืมใจส่วนใหญ่ใจลอยไปคิด เราก็ไม่บังคับกายบังคับใจจนมันผิดความจริงนะเราเรียนรู้ความจริงของกายของใจเพื่ออะไรนะเพื่อวันหนึ่งใจเราจะหมดความอยากนะมันจะไม่อยากต่อไปแล้วไม่อยากให้กายให้ใจเป็นสุขไม่อยากให้กายให้ใจพ้นทุกเพราะรู้ว่าไม่มีจริงนะี่พอใจหมดความอยากใจจะสิ้นทุกพอใจจะสิ้นความทุกใจจะถึงความสุขอนมหาสาร คนจีนเราจะรู้จักคำว่าอะไรอ่ะพุทธภาวะพุทธภาวะแปลได้ไงพุทธภาวะใครๆเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าไปเจอพระพุทธเจ้าคว่าพุทธภาวะภาวะแห่งพุทธภาวะแห่งความเป็นพุทธ เป็นโล ก, กุต ธ, ธรรมโล ก, กุต ธ, ธรรมรู้จักมหาสุญญตาไหมสักศัพท์คำนี้รู้จักไหมไม่รู้จักมันมีศัพท์อยู่หลายคำที่สื่อเอาละพวกเราอันไปต่างน้นนะ ก็าฝากพวกเราคนจีนอะเจอคนจีนมาใหม่ๆนะอธิบายเขาหน่อยแล้วเราบอกเขาไปเที่ยวที่อื่นก่อนแต่ถ้าเขาเข้ามาเมืองไทยนานแล้วก็ไม่เป็นไรไม่งั้นกลุ่มแรกที่จะติดก็คือคนจีนเพราเขามาเขาว่ามาหาคนจีนก่อน